จอยจอยไปเสาะหาพระหาชีฝรั่งมา่างไหนได้เรื่อยๆ <c oughs> ลำบากนะพูดกันที่จริงฟังทีเดียวไม่รู้เรื่องหรอกคนไทยยังยากเลย <c oughs> นีฟังแล้วแปลฟังแล้วแปลนะบาธีเขาเขาพูดอะไรเราก็ไม่เข้าใจนะเป <c oughs> ็นลำบากคือ สื่อสารกันยากแต่ถ้าอย่างป้าจอยนั่นน่ปะป้าจอยมาเรียนหลายทีเรียเนเพื่พอกระตุนขึ้นมากระตุนเข้าเข้าใจแต่ต่นได้แล้วพอหายไปนานๆที่หลงไปอีกมันยากมากเลยที่กว่าคนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่ว่าคนที่ตื่นแล้วเนี่ยไม่ยากหรอกที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้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 ของเราอย่างคลอนแคลนนะภาวนาวันนี้ศรัทธาพระพุทธเจ้านะอีกวันไปศรัทธาจตุคามอีกและนะ้วจตุคามไม่นานนะม า, าพระพิคเนตอีกและนะ้วต่อไปมันจะปั่นตัวอะไรขึ้นมาไหวนะจริงจกสองหางก็ไหว้นะตุกแกก็ไหวรักยมกูมันทองนะมานาวหมดแหละนะแต่ก่อนเขามีนางกวักเดี๋ยวนี้เห็นมีแมวกวักใช่ไหม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 วิริยะของเราก็กยังกับพร่องกับแย่งวันนี้ขยันวันนี้ไม่ขยันวิริยะนะค่อยสะสมกันนานนะเป็นพระโสดาแล้บางวันยังขี้เกียจนะเป็นพระสักคาคาบางวันยังขี้เกียจถ้าเป็นอนาคาก็ชักจะวิริยะเกินไปบางทีเหลืออีกนิดเดียวรีบตะลุยเลยนะ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 นั่งทนเดินทนนั้นอาศัยธรรมะความขมใจอาศัยขันติวิริยะที่แท้จริงเกิดจากมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองทันทีที่มีสติอากูสนที่มีอยู่จะดับทันทีอากูศลใหม่จะเกิดไม่ได้กูสนที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นมาคือตอนที่ขาดสติอยู่นีไม่มีกูศนตรงที่มีสติก็มีกูสนพอเคยมีสติแล้วแต่ไปสติเกิดบ่อย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 สบายหลวงพ่อก็ทำเป็นนะไม่ยากหรอกอีกเคลิมๆไปนะพอหมดชั่วโมงสมัยก่อนมันเป็นเทปเนี่ยพอครึ่งชั่วโมงมันดีดแป๊กตื่นเดี๋ยวเปิดอีกหน้าหนึ่งแป๊กตื่นแผ่ส่วนกุศลได้ละหมดเวลาละ ฝึกอะไรฝึกโมหะฝึกอะไรฝึกโลภะไม่ได้ฝึกสติอย่างั้นใช้ไม่ได้เลยหลวงพ่อไปเห็นเขาภาวนานะใจเรากันนึกโอ้นี่ไม่ได้ภาวนาขาดสติไม่ได้ภาวนาพอตอนเช้าตามพวกคุณป้านะเข้าไปถวายดอกไม้ท่านาหลวงปู่หันมามองหน้าเรายิ้มยิ้มนะ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 ที่ถล่มซ่อมกะทีหนึ่งมนเงินเป็นแสนแสนนะท่านเผลอเด็กมันมาถักหน้าดินหลูพ่อเดินหน้านิ้วชิ้วขมวดไปนะพระท่านสารภาพาว่าโอ้โหใจนี่หล่นตุ้บลงไปเลยใจเต้นตุ้มตุ้มตุ้มนะจนถึงเย็นไปฉันน้ำป้านะยังไม่หายเต้นอยู่เลยอย่างกระโยมหลวงพ่อยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมโยมมันมีความทุกข์อยู่เยอะแล้วยมอินทรียังอ่อน เลี้ยงเด็กอ่อนก็ต้องประครบประงมนะพระนะ่ะตั้งใจแล้วตฏิญาณตนเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นนักรบของพระพุทธเจ้าแล้วนันต้องสู้จริงจังเอาอย่างโยมไม่ได้พระตกนรกเยอะนะเยอะมากนั้นหลวงพ่อถึงเข้มงวดกับพระมากเลยแตโยมก็ยังปล่อยๆโยมเข้มงวดมากโยมทนไม่ไหวแต่ว่าพวกที่มาเรียนหนักๆแล้วนะมาเรียนหลายทีแล้วเนี่ย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 ไม่ขาดสตินะใจมันตั้งมั่นเป็นคนดูตรงที่ใจตั้งมั่นเป็นคนดูเราจะเห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งมีช่องว่างมาขั้นเวทนาความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งมีช่องว่างมาขั้นเราจะเห็นเวทนาอยู่นอกใจอยู่ต่างหากสัญญาสังขารก็เหมือนกันนะกุศลอกุศลทั้งหลายเป็นสังขารเราเห็นมันอยู่นอกมันไม่ใช่จิตหรอก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 นะจิตสังขารในใจเราไหลไปรวมกับความว่างๆนะหรือบางทีก็ไหลออกนอกไหลไปคิดไปนึกไปปรุงไปแตง่งนี่เรียกว่าใจมันไม่ตั้งมั่นนะใจเราจะฉลับซ้ายฉลับขวาอยู่ทั้งวันนะค่อยฝึกนะฝึกไปช่วงหนึ่งจะมองเห็นใจจะฉลับไปฉลับมาตลอดเวลานะในห้องเนียรู้สึกไหมใจฉลับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวฉลับไปดูเดี๋ยวฉลับไปฟังเดี๋ยวฉลับไปคิดนะเดี๋ยวฉลับไปเพ่งนะ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 ออยู่ได้อย่างนี้เรื่อยๆ น, นะแล้วก็บางทีสติไประลึกรู้กายครับบางทีสติไประลึกรู้จิตครับจงใจระลึกไม่ได้ระลึกของมันเองเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้จิตรู้มา ก, มากๆนะมันจะเห็นความจริงอะเอกายตะกี้อย่างนี้กายตอนนี้อย่างนี้จิตตะกี้อย่างนี้จิตเดี๋ยวนี้อย่างนี้เห็นไม่เหมือนกัน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 ส่วนอย่างลื่นนะมีศรัทธามีริยาอะไรเนี่ยทุกครั้งที่มีสติมันก็เพิ่มปูนไปนะปัญญาอ่ะก็เพิ่มปูนไปถ้ามีสัมมาสมาธิถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีปัญญาท่านถึงเอาสติมาขั้นไว้ตรงกลางเลเป็นสองพวกนะตัวปัญญามันอาศัยสติกับสมาธิช่วยมันได้มาขั้นอยู่อ่ะต่อไปตรวจกันบ้านค่อยฝึกเอานะฝึกเอา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 วเวลาที่ลูกน่ารักก็มีความสุขเวลาที่ลูกไม่น่ารักก็จะมีโทสะกับโอหมานั่นแหละตัวอย่างนะมีความปรุงแต่งเยอะบางทีเป็นส อ, สองนาทีบางสามนาทีเป็นชั่วโมงชั่ ม, มเป็นวันวันก็มีแล้วก็แบบนี้ยังจะเรียกว่าเป็นการตามรู้ตามดูอยู่หรือเปล่าใช่สิใช่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 บางทีก็ลำขาดใช่ไเดี๋ยวไปคิดถึงบ้านเกิดเป็นห่วงบ้านเนี่ยรู้ว่าเป็นห่วงอีกแล้วนะฝึกอย่างเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ว่าใจจะไปคิดเรื่องอะไรนะรู้ทันใจไปเรืยให้การบ้านเพิ่มแล้วนะที่ให้ <ขอ S 1> ดู <ขอ S 1> ลูกเนี่ย <c oughs> เป็นตัวอย่างนะ <c oughs> พอดูดูลูกพอคิดถึงลูกแล้วจิตเป็นยังไงเรารู้ทันเนี่ยต่อไปคิดถึงเรื่องอื่นจิตเป็นไงเราคอยรู้บ้าง <c oughs> อันนี้ใช้ได้ใช่มอาจารย์ใช้ได้สิขอบคุณครับ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 แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วค่ะแต่ว่าไปได้ยินเสียงเคาะประตูน้ยธรรมดาได้เสียงเคาะประตูแต่ก็ทําเฉยๆแล้วก็คือถ้าเมื่อไหร่เราภาวนาแล้วใจเราชักเคลื่อเคลื่อนเนี่ยนะพระเจ้าเขาก็จะเคาะประตูช่วยธรรมดาก็เลยก็เลยนั่งต่อไปค่ะเออดีเ<ะ>ดินอย่างนั้นนั่งดูไปค่ะ บางคนมีนะไปตั้งสัจจะจะไม่นอนกลางวันเพราะนอนนั้นก็เคาะนะเคาะไม่ฟังนะเลื่อนตู้เลยลากเก้าอี้คุณจ<ะ> <c oughs> ีเรียก<ด>ชื่อด้วยนะได้ดินเสียงลากค่ะเคาะเ <c oughs> <c oughs> สร็จแล้วก็นิ่งฟังเฉยแล้วก็เสร็จแล้วมันก็สิงมีเสียงลากา <c oughs> แล้วเสร็จแล้วก็เคาะหน้าต่างก็เลยแต่ก็เฉยๆดูใจเราไว้นะเป็นการฝึกซ้อมไม่ให้ขาดสติ ใครอยากมาอยู่วัดจองคิวคิดให้ดีนะหัวโกรนไม่รู้นะอยู่วัดหลวงพ่อแล้วมีโอกาสหัวโกรนนะคือภาวนาเข้าใจธรรมะแล้วอยากบวชบางทีเรียกชื่อเลยนะร่าเราไม่ยอมตื่นแล้วเรียกปลุกเลยกราบนมสัสการหลวงพ่อคะ่ะเพิ่งมาครั้งแรกคะ่ะมาจากอุบลราชธานีคะ่ะ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 เม่ชีก็ตามดูกายเห็นกายดยจิตเห็นจิตจ ต, ตามแบบหลวงพ่อให้ทําตามลุงก็ดูอะไริบดสียืนเดินนั่งนอนก็ได้ตอนนอนอยู่สามแวบคือเผอไปคือขณะเอน็นกายนอนก็เผอเห็นขณะนั้นก็แวบเห็นกายที่กําลังนอนนั้นไม่ใช่เราคื อ, อมไม่มีเรานอนอยู่ใครมันนอนอยู่ อก็ไม่รู้ก็ไม่ร um ู yeah, mm. ้ว่าตัวอะไรมันนอนอยู่เออนั่นแหละตัวอะไรก็ไม่รู้แหละก็ก็ดูแบบต่อเนื่องก็ดูมามาเผลอเห็นอีกแวบหนึ่งคือว่าตอนนี้ตอนนอนอีกนะหลวพ่อคือมันนนอนไปก็พอเผลอเผลอรู้สึกเผลอรู้สึกเผลอรู้สึกอยู่อย่างนั้นนะตั้งคืนเลยค่ะก็ก็ก็มานั่งคิดว่าอะ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 ฟ้ามืดมัว ม, มันจดจอจดจอจะโผล่ขึ้นมาแต่มันโผล่ไ ม, <c oughs> ไม่ไม่ต้องจงใจให้โผล่ขึ้นมานะให้รู้ลูกเดียวเลย <c oughs> จิตถูกโมหะครอบงาไว้ก็รู้ว่าถูกโมหะครอบไว้ <c oughs> จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้น <c oughs> จิตถูกครอบไว้ก็รู้มัวมัวก็รู้ <c oughs> ดูอย่างนั้นแหละดูอย่างเป็นกลางไม่ต้องไปแก้ไขมัน